เจ็บไข้ได้ป่ยวยเราก็เรียกว่าร่างกายไม่สบายเวลาใจเกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความวุ่นวายใจความเดือดอร้อนใจเราก็เรียกว่าเป็นความไม่สบายใจเป็นโรคของใจใจทุกข์เนี่ยใจก็ต้องใจก็ต้องมีมียารักษา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 ทาเหล่านั้นก็คือพระอริยสง์สาวกทั้งหลายที่เราสวดสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโคสาวกของพระพุทธเจ้าพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความดับของความทุกข์ปฏิบัติชอบน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 ก็มีโหราจาร์อยู่หลายรูปด้วยกันได้ทำนายว่ามีสองทางด้วยกันพระพุทธเจ้านี้เวลาโตขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะได้เป็นมหาจากักรพัดถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโหราจาร์อยู่รูปเดียวเท่านั้นที่ทานายไม่เหมือนกับโหราจาร์รูปอื่น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 โอยร้องโอยด้วยความเจ็บปวดของร่างกายแล้วไปเห็นคนเจ็บไข้ได้ปวด่วยนอนอยู่บนเตียงข้างหน้าบ้านก็ล้องอดคุณรครางด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เห็นคนเขาแบกศพเพื่อนำเอาไปทำชาปนากิจก็เลยทำให้พระองค์นี้ทร <c oughs> งตกพระทยัยตกใจ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 ที่มาัทางอาหารนี่เองข้าวก็มาจากดินผักก็มาจากดินเนื้อสัตว์ก็มาจากดินเอากินเข้าไปเราก็เอาดินเอาธาตุดินเข้าไปในร่างกายธาตุน้ำก็คือน้ำต่างๆที่เราเดื่มเข้าไปธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจเข้าไปธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงพาดอาทิตย์นี่ก็เป็นธาตุไฟ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 สอนใจใหป้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปครอบครองได้ใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปนะก็เลยมาเป็นหลังจากนั้นพระองค์ก็เลยนาเอาความรู้นี้ เ, เผยแผ่สั่งสอนคำสั่งสอนของพระเจ้าเราก็เรียกว่าพระธรรมคำสอนพร ะ, ะ, ะธรรมคำสอนก็สอนให้พวกเรารู้ว่า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 ที่มีชีวิตนี้มีมาได้เพราะการรวมตัวของาธาตุสั้งสีคือดินน้ำลมไฟเมื่อรวมตัวกันแล้วก็จะมีการจเจริญเติบโตเพราะมันจะไม่อยู่เฉยเฉยมันไม่เที่ยงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรวมตัวแล้วก็จ ะ, จะเจริญเติบโตพอจเจริญเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มเสื่อมเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยและในที่สุดมันก็จะล่มสลายไป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 แล้วพอถึงอายุ 80-90 ก็ถึงวาระสุดท้ายของการรวมตัวของธาตุสี่ธาตุสี่บอกว่าบ า, บายบายขอแยกทางกันอยู่กันมานานพอแล้วขณานี้อยากจะกลับบ้านเก่าถ้าตลมบะ่ะขอไปก่อนแล้วไม่เข้าไปในร่างกายต่อไปพอไม่มีลมเข้าลมออกร่างกายก็หยุดทำงาน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 ปฏิบัติทำขั้นต่อไปก็จะทําไม่ได้ก็คือการไปภาวนาซึ่งเป็นขั้นที่สําคัญที่สุดนขั้นที่จะทําให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดไปได้อย่างถาวรนะเราจึงต้องฝึกขั้นที่หนึ่งที่สองก่อนทําบุญทํำทานรักษาศีลไปต่อไปเราก็จะมหัดพอเรารักษาศีลได้เราก็จะมาหัดเป็นนักบวชได้มหัดถือศีลแปดได้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 มันเป็นของดินน้มลมไฟทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ท ร, รมาจากดินน้ามลมไฟแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ามลมไฟเนี่ยของที่เราใช้เดี๋ยวมันไปที่ไหนกันเนี่ยกองขยะตันเริ่มเทิ่มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมืองมันก็กลับไปสู่กองขยะทั้งนั้นของดีๆที่เราใช้กันในวันนี้ใช้ไปได้ไม่กี่ปีมันก็กลายเป็นขยะไป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 พระพุทธธรรมประสงค์จะอยู่ได้ก็ต้องอยู่ที่การปริยัตคือการศึกษาปฏิบัติคือการปฏิบัติตามคําสอนปฏิเวทคือการบรรลุ ถ, ถึงผลของการปฏิบัติแล้วเมื่อมีปฏิเวทแล้วก็จะมีการเผยแผ่นาเอาธรรมะที่ได้บรรลุนี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปถ้ามีการดําเนินอย่างนี้ไปศาสนาจะไม่มีวันหมดไป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 เพื่อจะได้เกิดปฏิเวชคือเกิดผ้นจากการปฏิบัติขึ้นมาแล้วท่านก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์และจะได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริกปุรนติสาคหลัง เอวเมวะอโตทินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปทิตังตุมหังเก็บเมวะสมิจฉาโสัพเพปเรนโตสักปะจันโทปนาอาราโสยธามณิโชติอ y ร t โสยธาสัพพิตโยวิวาจันโสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตาราโยสุขีทีขาโยโกผวะอภิวาธนศีลิสานิจังวุฒาประจายิโนจตารโธรรมาวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลั ง, งลำดับตอบอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามต่อบปัญหาธรรม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 มันก็จะอยู่แต่ปัจจุบันจะคิดเฉพาะเวลามันต้องคิดเท่านั้น mm hmm. งั้นถ้าคิดแล้วเจ็บใจก็ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันไปอถามต่อนักการ์หลวงพ่อปรีอยากให้หลวงพ่อแนะนำเพิ่งมาครัง้งแรกค่ะ อ, ะ อ, ะอะการนั่งสมาธิพรีหนูนั่งอยู่ที่บ้านค่ะก็เนี่ยก็มีสติไงคอยมีอะไรคอยควบคุมใจอย่าให้คิดก่อนจะมานั่งนี่เราก็ต้องควบคุมไว้ก่อนนะ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 ดูไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวจิตมันก็จะวุบจะสงบจะนิ่งแล้วก็มีความสุขเวลาสงบก็ปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆอย่าไปทำอะไรจ้กงกามันอยากจะออกมาถ้าอยากจะนั่งต่อก็ดูลมต่อไปออล้ะเดี๋ยวมันก็สงบใหม่อ๋อเวลาเวลาจิต จ, จะใกล้ๆรวมนี่ก็ไม่ให้ตกใจใไม่ต้องไม่ต้องใช้รู้เฉยๆมันจะรวมจะไม่รวมช่างหัวมันอย่าไปคิดคิดแล้วมันจะไม่รวม ถ้าอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าอยู่กับลมก็อยู่กับลมไป<ะ>ข้างหลังข้างหลังจากมรชะการค่ะคือดังๆหน่อยพอดีหนูเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะอ่าพูดดังๆหน่อยจะ้จะอยากเออเป็นถามถ้ะอาจารย์ว่าพอเวลาอย่างอย่างสมมติเวลาเออหนูเข้าสมาธิอย่างเงี้ยค่ะ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 เวลาจะโลภก็หยุดมันได้เวลาจะโกรธก็หยุดมันได้คการปฏิบัติเพื่อมาหยุดความโลภความโกรธความหลงนี่ท่านั้นเองแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าติดสุขไหมค ะ, ะอย่างนี้เรียกว่าติดสุขไหมคะเอ้าก็เราปฏิบัติเพื่อความสุขไม่ใช่เหรอหนีความทุกข์มามาเจอความสุขก็ติดกับมันสิก็มันปฏิบัติเพื่อความสุขความสุขแบบนี้ไม่ไม่เป็นไม่ไม่เสียหายตรงไหนความสุขจากสามีเนี่ยเสียหาย ความสุขจากลูกเนี่ยเสียหายเพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันจะต้องหมดแต่ความสุขแบบนี้ไม่มีวันหมดคำว่าสติปัญ ญ, ญานี่คือออกจากสมาธิมาแล้วคือเราใช้ชีวิตประจําวันนี้นใช่ไหมคะตอนต้นใช้สติไปก่อนให้ชํานาญก่อนเมื่อกี้บอกไงบอกให้ฝึกสติให้ชํานาญให้หยุดความคิดได้ทุกเวลาก่อน<ช>แล้วต่อไป<ช> ค, ค่อยมาใช้ปัญญาสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของที่เราคิดว่าเป็นของเรามันไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะ สังวันจะต้องมีการพัดผ้าจากกันไปเราต้องหัดปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปติดสามีก็ต้องไปลูกก็ต้องไปพ่อก็ต้องไปแม่ก็ต้องไปเราก็ต้องไปร่างกายของเราก็ต้องไปทุกอย่างต้องไปหมดัดคิดอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะได้ไม่ทุกข์เวลาไปก็ปล่อยมันไปทันนี้ถึงขั้นปัญญาก่อนจะไปท่านปัญญาได้ต้องรู้จักหยุดใจให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้พะจะ พออะไรจะจากไปก็ร้องโหม่้องไห้โวยวายขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เพราะยังไม่อยากให้มันไปถ้าถ้าอย่างสมมุติว่าตอนนี้หนูเคยเจอเมื่อเมื่อเดือนสิงหานะคะพี่สาวเสียชีวิตนะคะเออหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้เสียใจอะไรอ๋อฉันยังไกลตัวเราลองลองลอ ง, ลองดูตัวเราจะเสียชีวิตดูส <laughs> ออิลองไปเป็นโนกมาเล่งขึ้นมาดูนี่เราจะรู้สึกยังไงใช่ใช่ถ้าไม่เสียใจเฉยๆก็โอเคสแสดงว่าผ่าน ถ้ายังเสียใจยังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ผ่านยังไม่ปล่อยยังอยากให้มันอยู่ยังไม่ยอมให้มันตาย ถ, าถ้ามันจะตายก็ต้องให้มันตายยอมให้มันตายถึงจะผ่านถ้าลูกจะตายเอาของใกล้ตัวเดียวของไกลตัวไม่เท่าไหร่เอาเงินทองดีกว่าใกล้ตัวดีเกิดใครมาควมเงินไปรู้สึกเฉยเฉยหรือเปล่าเราจะรู้สึกโกรธใครมายืมเงินแล้วไม่ยอมคืนเงินจะโกรธเขาหรือเปล่า ของทุกอย่างมันต้องไปมันจะไปแบบไหนเราไม่รู้เท่านั้นเองถ้ามันไปแบบที่เรารู้เราก็ไม่เสียใจเพราะเราคิดไว้ก่อนแต่มันไปแบบที่ไม่รู้เราจะเสียใจเช่นแฟนไปมีชู้อย่างนี้จะต้องเลิกกันนี่มันจะเสียใจแต่ถ้าเขาจะไปเพราะเขาตายนี่เราไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเขาต้องตายแต่เราไม่รู้เขาจะไปมีชู้นี่พอเขาไปมีชู้เราก็ตกใจ เราต้องคิดในทุกรูปแบบว่าต้องต้องจากเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วของที่มันไกลตัวมันไม่ค่อยทําให้เราทุกข์หรอกต้องของที่ใกล้เราของที่เรารักเราห่วงเนี่ยอันนี้แหละเป็นของที่จะทําให้เราทุกข์มากยิ่งรักก็ยิ่งทุกข์ถ้าไม่รักมันก็ไม่ทุกข์ดังนั้นต้องพิจารณาสิ่งที่เรารักคนที่เรารักว่าไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราจะต้องจากเราไป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 ทาง Facebook นะคะสามร้อยี่สิบสามค่ะส่วน y o u t u หนึ่งร้อยี่สิบหกค่ะพระอาจารย์มีคำถามทางบ้านไหม ม, มีือคำถามสักถามอ่ามีคคำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะ<ม>จากคุณงคพงศาครับพระอาจารย์อยากเรียนถามว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานใช้ภาวนาพุโทโธได้ไหมครับเคยไปวัดแห่งหนึ่งพระท่านบอกห้ามใช้ ผมคิดว่าคงใช้ได้กับสมถะกรรมฐานส่วนวิปัสนาใช้พองหนอยุบหนอขอความเมตตาพระอาจารย์ไขความสงสัยข้อนี้ครับ อ, อ๋อมันใช้สองอย่างนี้มันสำหรับสมถะทำใจให้สงบทั้งนั้นยุบหนอพองหนอหรือพุโทโธก็เพียงแต่ฝึกสติให้ใจยหยุดคิดเท่านั้นเองยังไม่เป็นปัญญายังไม่เป็นวิปัสนาวิปัสนาที่ต้องพิจารณาไตรลักษณ์ต้องเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยง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 อยู่ที่เราก็ได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกับพ่อแม่ก็ได้ปฏิบัติกับพระอรหันต์ศึกษาธรรมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปวัดก็ศึกษาได้เนี่ยตอนนี้ก็ติดตามถ่ายทอดสนได้มีคําถามก็ส่งเข้ามาได้มีหนังสือก็อ่านได้มีซีดีก็ฟังได้อย่างนี้ไม่ต้องไปวัดแล้วบางทีไปวัดกับไม่มีให้ฟังด้วยไปวัดมีแต่ลำวงมีแต่ลิเกมีแต่ภาพยนตร์มีแต่ตลาดนัน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 ตอนนี้เขาเสียดสีแล้ ว, ลวสาธุดีใจถ้าทำถ้าทาแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่าไปอย่าไปอย่าไปฟังคือพอเขาเสียดสีเราเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันถ้าเรายังเปลี่ยนใจไม่ได้ถ้าเปลี่ยนใจได้ก็ดีตอนนี้เราอยากจะให้คนเขาเสียดสีเราแล้วเกินไม่อยากให้เ็าชมเพราะชมนี่มันยากเอาของง่ายดีกว่าอาคาด่านี่มันง่ายกว่า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 จิตไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาปแต่ทําดีไปเรื่อยๆสนใจจิตแต่เฉยๆยอมรับตามความจริงถูกต้องหรือเปล่าคะก็ทําความดีก็เป็นบุญนะ่จะต้องการมันไม่ต้องการมันก็ได้แนละ้วบาปก็อย่าไปทาเพราะบาปทาแล้วมันจะทาให้ทาเป็นโทษกับเราไม่ได้เป็นคุณกับเราทําใจก็เรียกว่าการภาวนาการชาระใจการลดละความโลภความโกรธความหลง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 เส้นลวยก็ยังเขาก็ยังขี่กันได้เพราะเขาชานาญนะอย่ถ้ายังไม่ชํานาญอย่าเพิ่งไปขี่เดี๋ยวล้มอันนี้ก็เหมือนกันท่านยังควบคุมจิตไม่ได้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะจะสู้กิเลสไม่ได้พอเจอกิเลสก็ถูกเ้าชกทีเดียวก็ล้มทําให้เราเก่งทางสมาธิก่อนชํานาญทางสมาธิก่อนแล้วก็ไปทางปัญญาเวลาไปทางปัญญาก็ต้องกลับมาสมาธิเสมอสลับกันไปไม่ใช่ไปแต่ปัญญาอย่างเดียว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 เหมือนประมาณว่านึกนึกได้อะไรอยู่เรื่อยๆครับอาจารย์แต่พูดไม่ออกประมาณนี้ค่ะแล้วทำไมล่ะแล้วให้ทําังไงพูดไม่ออกก็ดีอยู่แล้วไม่อยากให้พูดอยู่แล้วก็อย่าไปพูดเท่านั้นเองรู้อะไรก็เก็บไว้เฉยๆถ้าไม่มีเหตุผลให้พูดก็ไม่ต้องไปพูดรู้ชำเพาะตัวเองก็พอพูดไปเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกับโอ้อวดก็ได้อวดเก่งอวดรู้อวดดีก็ได้ถ้าไม่พูดก็ดีอยู่แล้ว